ขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเปือเป้อเอื้อเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบรมศาสดาได้มังเพนพระบารมีสามสิบทัส คือทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีมาอย่างยาวไกลในทังสารวัตในกรณีการบ่มเพาะพระบารมีทำแต่ละอย่างนั้นต้องสั่งสมพระบารมีนั้นจากบารมีธรรมดาเป็นอุปบารมีระดับกลางและก็ปรมัทบารมีระดับแบบปราณีตหรือสูงสุด การเพียรพยายามในการระดมปลูกพ่อปรามีธรรมให้หนาแน่นในกระแสของความคิดของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์เห็นกุศลแฉันทะคือความรักใคร่ในพระบรมโพธิญาณมีความรักอย่างแรงกล้าในการที่จะตัดสัรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิญาณก็ไม่ทรงทอ้อก็มีกำลังในการที่บ่มเพาะกุศลฉันทะ คือความรักอย่างแรงกล้าในการที่จะได้มาซึ่งบรมโพธิญาณและในขณะเดียวกันพระองค์ก็มีวิริยะคือความเพียรความพยายามความบากบั่นอย่างไม่ท้อถอยในการที่จะขวัญขวายในการที่จะสร้างบารมีไม่ยอมถอนความเพียรออกจากใจจนกว่าจะได้มาเพื่อ สัมมาสัมโพธิญาณและพระองค์ก็มีความตั้งใจมั่นมีจิตจด จ, อดจอ่ออยู่ตลอดเวลาว่าตนเองต้องได้สัมมาสัมโพธิญาณอย่างแน่นอนและในขณะเดียวกันก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่ามีผลมากมหาศารในการที่จะบำเพ็ญบารมีให้ได้โพธิญาณ น, นั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนบำเพ็ญบา ร, รมีได้กำลังทั้งสี่ประการคือชันทาวิรยิยะจิตตะและปัญญาอย่างนี้แล้วพระ อ, องค์ก็เอาไปแสวงหาทรัพย์ไปแสวงหาทรัพย์ในที่นั้นก็คือไปแสวงหาบุญกิริยาวัตถุสิบเอาไปแสวงหาทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศล อปจายานาะวิยาวจะปฏิทานะปะตานุโมทนาธรรมสวนาะธรรมเทศนาแล้วก็ทำที่ถูชุกกรรมให้เต็มก็หมายความว่าเวลาบำเพ็ญทานบา ร, รมีพระองค์ก็ใช้กําลังของฉันทาวิริยะจิตตาปัญญานี่แหละใช้กําลังของอิทธิบาทนี่แหละที่เป็นคุณเครื่องให้ประสบความสําเร็จนี่แหละไปกระทําทานบา ร, รมีระดับต่ําให้เป็นระดับกลางจากระดับกลางพัฒนาไปสู่ระดับสูง แม้ศีลบรารมีเป็นต้นก็เหมือนกันพระองค์ก็ใช้กําลังของทา่าของฉันทาวิรยิยะกิตตาและปัญญานี่แหละเป็นตัวแรงหนุนและก็กระตุ้นในการที่จะทําทานนั้นให้เป็นระดับสูงหรือระดับประนีตระดับศีลให้ได้เป็นระดับประณีระดับเนคขมมะและก็ปัญญาเป็นต้นจะเห็นได้ว่าการบ่มเพาะบารมีของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ย พระ อ, องค์ตั้งอัธยาศัยในการที่จะบ่มบา ร, รมีนั้นให้มีกาลังที่สุดจริงๆนะพระ อ, องค์ก็ใช้คำที่ว่าเอาไปแสวงหาทรัพย์ก็คือทานศีลภาวนาเป็นต้นที่สุดจริงๆก็เอามาเดินเป็นบา ร, รมีเดินเป็นทานเจตนาโยธาเป็นกองกำลังของทานบา ร, รมี ถามว่าถ้ากองกําลังของทานบา ร, รมีไม่แข็งแรงจริงๆจะสามารถบทขยี้บาปอกุศลธรรมเวลาโวกที่เกี่ยวกับตัณหาที่เกี่ยวกับตัวมัชชริยะได้ไหมไม่ได้แต่ั้นกองกําลังของทานบา ร, รมีต้องแข็งแรงนะถามว่าทานบา ร, รมีที่จะแข็งแรงได้ตัวทานบา ร, รมีกองกําลังก็คือตัวเจตนาทานนะทานะเจตนาโยานเนี่ยกองทัพของทานบา ร, รมีต้องสามารถระดมในกระแสะของความ คิดได้ทีนี้ในนั้นเน่ะในกระแสของความคิดนั้นเน่ะที่จะเป็นกําลังขึ้นมาได้ก็จะต้องประกอบไปด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นสติหิริโอตปะความไม่โลภความไม่โกรธเป็นต้นตลอดถึงมีกลุ่มของเจตนามีกลุ่มของผัสสาวเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นสรุปก็คือ กลุ่มนามาทำทั้งหลายคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขัน แ, และวิญญาณขันก็กลุ่มกุศลจิรูบาทนั่นแหละจากประเภทที่กุศลที่มีกําลังต่ําให้เป็นกุศลมีที่มีกําลังระดับกลางจากกุศลที่มีกําลังระดับกลางให้มีกุศลที่มีกําลังระดับสูงจากการสละวัตถุเล็กๆในน้อยก็เริ่มสละวัตถุมากขึ้นมากขึ้นเหตุผลที่กล้าที่จะสละวัตถุมากขึ้นมากขึ้นนั้น วัดได้ตรงที่สภาพจิตใจนั้น่ะเริ่มปล่อยวางการยึดถือในวัตถุเหล่านั้นที่สุดจริงๆก็กล้าสละแม้อวัยวะทุกชิ้นแล้วก็กล้าสละแม้กร ะ, กระแสชีวิตทุกอัตภาพที่ได้มาท่านจึงตั้งอัธยาศัยว่าทรัพย์ที่มีอวัยวะที่มีชีวิตที่มีเราจะกระทำไว้เพื่อเป็นอุปการะแก่สัตว์อื่นอย่างแน่นอน การที่สามารถตั้งอัธยาศัยได้อย่างเด็ดเดี่ยวอย่างนี้บ่งบอกว่าตอนนั้นกองทัพของเจตนาโยธาทานเนี่ยกองทัพของทานบา ร, รมีที่ไหลยอยู่ในกระแสจิตของพระมหาบรุษนั้นเต็มบริบูรณ์แล้วถามว่าถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าและใจของเราล่ะที่เราเดินทา น, นบา ร, รมีกันเนี่ย เราเดินตามรอยบาทท่านไหมถ้าเดินตามรอยบาทท่านก็ต้องฝึกจริงอยู่เราอาจจะไม่ทำได้เท่าท่านเพราะกำลังใจเราไม่แรงเท่านั้นแต่ต้องไม่เดินออกจากร่องรอยที่ท่านทาทำไมท่านจริงต้องระดมกำลังคือชันทะอย่างแรงกล้ามีความรากักความปรารถนาซึ่งสัมมาสัมพวิยาณแล้วเราล่ะต้องการปรารถนาจะพ้นทุกข์เราต้องรักอะไร เราต้องรักโคธิใช่ไหมอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมสาวกสโพธิเรารักไหมที่เรารักการที่จะได้พระนิพพานไห ม, มรักการที่จะบรรลุไหมถ้ารักที่จะบรรลุแล้วพระเจ้าทําอย่างไรพระเจ้ามีกองทัพของทานเจตนาโยธากองทัพของทานบารมีถามว่ากองทัพของทานบารมีสร้างข้างนอกหรือสร้างข้างใน สร้างในกระแสจิตใจถามว่ากองทัพของเจตนาโยธาทานเนกองทัพของทานบารมีเนี่ยไปประหารกิเลสกลุ่มไหนไปถอนรากถอนโคนกิเลสกลุ่มไหนความโลภความยึดติดในสีความยึดติดในเสียงความยึดติดในกลิ่นความยึดติดในรสในโผลพระและในธรรมอารมณ์ที่ยึดติดเมื่อยึดติดเบียดเสดแล้วก็เกิดความตณีซึ่งเป็นกลุ่มของโทสะนี่แหละ มีความตนีไม่อยากจะสละไม่อยากจะให้ทั้งๆที่ของที่ยึดไว้น่ะยึดไว้จนตายนะบางคนเนี่ยยึดตําแหน่งหน้าที่เนี่ยยึดจนตายนะเช่นบางคนเนี่ยขายของเนี่ยผัดกับข้าวเนี่ยผัดก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตายคากระทะเลยนะมันหยุดไม่ได้เพราะตนีก็ยังไม่รู้อีกตรงเนี้ยกองทัพของเจตนาโยธาเนี่ยมันอ่อนกําลังหมดแล้วก็ไม่กล้าสละ สถานะนะั้นก็ไม่กล้าสละทั้งทั้งที่บางคนเนี่ยเชื่อไหมว่าทางโลกเขาเอามาออกเป็นสกูปว่าเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตเช่นยอมท่านหนึ่งเนี่ยขายลอตเตอรี่ส่งลูกเรียนจนจบเป็นด็อกเตอร์จบมีอาชีพการงานอย่างสูง ขายตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนหยุดขายไม่ได้ลุกรวยสร้างบ้านให้เป็นสิบสิบล้านหยุดไม่ได้ทําไมยังหยุดไม่ได้อุปาทานมันยึดหยุดแล้วป่วยหยุดแล้วป่วยแล้วมันจะหนีกลัวตนเองจะหมดฐานะนั้นก็ต้องเดินแอนเอียงไปบางคนสะพายของขายเนี่ยหาของขายจนสุดบางคนเนี่ยผัด ผัดมีขายจนซุดก็ทิ้งกระทะใบานั้นไม่ได้บางคนมีที่อยู่สค่ตรอกเดียวนี่แหละก็สลากที่ตรงนั้นไม่ได้ดูที่ไอตัวมัชริยาก็ดีตัวอุปาทานก็ดีไอตัวยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันละได้ง่ายๆที่ไหนโลกเพราะอะไรรู้ไหมกําลังของทานนะเจตนายโยธาเนี่ยมันไม่แข็งแรงโยงเพราะไปคิดว่าการสละมันคือของภายนอกไงแต่ที่จริงไอที่ถูกสลากได้จริงๆต้องเป็นอะไร กิเลสภายในต้องถูกถ่ายถอนออกมาจริงๆแบบถอนรากถอนโคนจริงๆนะถ้ามันไม่ถูกถอนรากถอนโคนจริงๆเนี่ยถามว่าทําไมพระผู้มีพรภาคย่าจึงต้องบำเพ็ญบา ร, รมีแสดงว่ากิเลสที่ละยากไหม ย, ยากไม่ใช่ละง่ายๆถามว่าทําไมกิเลสจึงล้างละยากเพราะกิเลสเนี่ยมันฉลาดในเราหมดมันรู้จากเราหมดนะกิเลสเนี่ยเราจะ ทำท่าแบบไหนจะทำท่าสงบนิ่งกิเลสมันก็รู้เราทำท่าจะตั้งสมาธิกิเลสมันก็เข้ามายึดเราทำท่าจะเกิดปัญญานิดหน่อยกิเลสก็เข้ามายึดมันจักรู้จากการเคลื่อนไหวของเรามาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏแล้วเชื่อไหมเรามานั่งประชุมกันเพื่อจะอบรมจเจริญกรรมาฐานเนี่ยกิเลสมันแอบไปนั่งหัวเราะชอบใจนะบอกโอ้ยไปไม่กี่น้ำเดี๋ยวก็ยอมกลับมาเป็นทาสกู ใช่ไหมลรากิเลสมันเป็นอย่างนี้เอ้ยแกล้งสงบสงี่ยมนิ่งนิ่งเนี่ยรู้แล้วว่าแค่ไหนที่สุดจริงๆกิเลสก็ดักซ้ายดักขวาลองสังเกตเถอะบางครั้งมันก็ออกมาทางด้านสีที่น่ายินดีบ้างไม่น่ายินดีบ้างเสร็จเขาอีกบางครั้งเขาก็ออกลักษณะทองด้านเสียงใช่ไหม บางทีก็แปลงรูปมาทางสีแล้วไม่ได้ผลเรากําหนดทันนี่นะรู้เท่าทันใครควรพิจารณาอต่อบมามันแปลงรูปมาเป็นเสียงเอะไะชักเปะอะไรทีนี้เราไม่ได้ใครควรสละเสียงเป็นทานหรือสละใช่ไหมอ่าบางทีเอาชํานาญและสีกับเสียงอ่ะมันมาทางด้านกลิ่นเล ย, ยโอ้ยไปนั่นแหละไปตายกินนั่นแหละบางทีมาด้านรสเปรี้ยวหวานมันเคม็มบางทีมันด้านสัมผัสเย็นร้อน ไอ้ที่วิจิตมากที่สุดคือทำอารมณ์ทำอารมณ์อยู่วิจิตมากบางทีมันแปลงรูปร่างว่าเช่นทํำยังไง่ะมันแปลงมาเป็นเป็นท่าที่ยิ้มสวยก็ได้ร้องไห้ก็ได้ใช่ไหมทาอาการดิ้นคล้ายๆจะตายก็ได้มันเพื่อจะให้ใจเราอ่อนแอเนี่ยมันมาสารพัดรูปแบบบางคนก็ไม่ได้หรอกท่านนั้นยังไม่สามารถที่จะมาศึกษาคําสอนอย่างจริงจังใครควรอย่างจริงจังเรา เพราะฉันยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะใช่ไหมมันมาในท้านของธรรมารมเนี่ยเหตผลมันเต็มไปหมดแล้วฉะนั้นทําไมพระเจ้าจึงต้องสร้างบารมีทั้งยี่สิบประสงค์ขายบ้างสี่สิบประสงค์ขบ้างแปดสิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากรับบ้างแล้วให้สังเกตดูนะตอนที่พระเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ๆถามพระพุทธเจ้าพิจารณาอะไรในสัปดาห์แรกเมื่อวาน ตอนนี้ที่มาอยู่ที่กุฏิเห็นเราสวดอะไรสวดเตนะสมัยนะพุโทโธพระกวนใช่ไหมล่ะที่สวดตรงนี้เนี่ยถามว่าพระเจ้าพิจารณาอะไรพระเจ้าพิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมถามว่าพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอนุโลมนั้นพิจารณาของใคร พิจารณาสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและที่ยังออกจากวัตทุกไม่ได้ดูแล้วน่าสลดนะและหนึ่งในนั้นนะกระแสชีวิตของเราถูกพิจารณาด้วยนะว่ายังไม่สามารถแทงตลอดสัจจะทั้งสี่เป็นต้นได้แล้วพระองค์ก็พิจารณาปฏิจจสุบาททั้งสายปฏิโลมคือบุคคลที่บรรลุไปแล้วในอดีตที่ผ่านมา มีพระเจ้าและสาวกพระเจ้าในอดีตที่ได้นิพพานไปแล้วเห็นไหมถ้าวิชาหรือแสงสว่างเกิดขึ้นมาเนี่ยพระองค์สามารถแทงตลอดได้ทั้งหมดเลยทําไมจึงต้องระดมพระบารมีสิบอุปปรารมีสิบและปารมาธาบารมีสิบอย่างยาวไกลอย่างนั้นก็เพราะว่ากิเลสเนี่ยถอนยากไหมถ้าจะถอนตนเองอย่างเดียวก็ยังยากแล้วนี่จะถอนตนเองด้วย แล้วจะได้ฉลาดในคำสอนแทงทะลุทะลวงในสภาวธรรมทั้งปวงทั้งสิ้นและจะสามารถสอนให้คนอื่นบรรลุตามด้วยยิ่งต้องเพียรพยายามเนยภาษารีบุตรตอนอดีตทชาติที่เป็นสารธาดาบทได้อภิน ญ, ญาห้านะตอนนั้นเป็นดาบทนะพร้อมด้ดยบริวารเนี่ยได้อภิญญาห้าและได้สมาบัตแปดถามว่าคนที่ได้อภิญญาห้าสมาบัตแปดเนี่ยถือว่าสุดยอดหรือยัง ในย่านของโลกิยะเนี่ยสุดยอดแล้วกิเลสนี่สงบหมดอี่ยังสงบพละราคาโทสาโมหาแบบวิขมพนะนะละได้ละได้เป็นวิขมพนะบาหารกิเลสไม่ฟูขึ้นในใจท่านท่านไปอยู่ในป่าตอนนั้นท้านโนมทัสสีสัมมาสัสมพุทธเจ้านั้นมีจิตคิดต้องการจะโปดรดสารทะดาบทพรอไดบริวารก็ไปนั่งประทับอยู่ สารธาดาบทเหาะมาพร้อมด้วยบริวารเนี่ยไม่ใช่เดินมาด้วยนะเหาะมาหอะมาเบีเศ็จก็มาเห็นพอเห็นเบียเศ็จก็พาบริวารล่อนลงเนี่ยนะล่อนลงพอเห็นปุ๊บท่านไม่เคยรู้จักพระพุทธเจ้าเลยนะแต่พอเห็นปุ๊บพอดูจากมหาปุริสารขนาะสามสิบสองประการและอนุพยันชนะแปดสิบปุ๊บ ท่านทันทีเลยว่าท่านคนนี้เป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าคนที่มีข้อมูลระดับนี้แปลว่าในบา ร, รมีที่สั่งสมมายาวไกลไหมยาวไกลมากท่านก็พุโทโธพุโทโธว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วเข้าไปกราบประคองอัญเชลีนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ลูกสิษถามท่านว่าท่านอาจารยา์อาายากทราบเหลือเกินว่าท่านอาจารย์กับท่านที่นั่งมีรัศมีชดช่วงอยู่ตรงหน้าท่านอาจารย์เนี่ยใครมีคุณมากคุณน้อยกว่ากันเพราะที่ผมมาบวชตามอาจารย์เนี่ยผมก็มั่นใจท่านอาจารย์มีคุณมากมีความสามารถมากภาษารีบุตรอดีสาตสัท t าวด์บดว่าท่านทั้งหลาย ท่านอย่าได้เปรียบเทียบกับเรากับพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยจะทำให้เราวิบัติพระผู้คุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยประดุจขุนเขาสินเนรุซึ่งมีความสูงหกหมื่นแปดพันยแต่คุณของเราเนี่ยประดุจดังมเมล็ดพันผักกาดที่อยู่ใต้ขุนเขาสินเนรุนะั่นก็ลองคิดดูว่า สมาบัตแปดอภินยาห้าอุปมา ต, ตนเองเนี่ยประดุดดังเม็ดพันผกาศเล็กๆก็มาดูพวกเราสิลองเหาะให้เอามาดูที่มีได้สักคนไหมเนี่ยเหาะได้ไหมเหาะได้ไม่ได้มีอภินยาคุณวิเศษใดๆ ใ, ในใจไหมจะได้รู้จักคำว่าพระพุทธเจ้าไง จะได้รู้จักพระเจ้าแล้วต่อมาพรเจ้าก็แสดงธรรมเจ็ดหมื่นกว่าค น, นที่เป็นลูกศิษย์สัตยหาริกท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หมดเลยเหลือท่านองค์เดียวเหลือสาระทะดาบ ท, ท่านเดียวทำไมท่านไม่บรรลุท่านกําหนดท่านจักสร้างบารมีเพื่อเป็นภาษาลีบุตรจากนั้นมาอีกหนึ่งอสงไขย ถามว่าการถอนกิเลสเป็นเรื่องยากหรือเรื่องง่ายแต่มันถอนได้นะไม่ใช่ไม่ได้ถ้าเพียรพยายามมันเหมาะแค่บุคคลที่ต้องระลมความเพียรอย่าอย่าใจร้อนจนรีบแล้วหกแต่อย่าหยุดจนไม่ทําอะไรถ้าหยุดไม่ทําอะไรไม่บำโพยไม่บําเพรนไม่สั่งสมเลยนะจะถอนไม่ได้เลย และอย่าเดินผิดพุทธโอวาอย่าเดินผิดทพุทธโอวาอฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าในโพธิกถาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้นุตตะสัมมาสัมพุธิยานเบ็ดเสร็จพระพุทธเจ้าจึงอุทานพิจารณาปฏิจสมบตัตโดยนุลมและปฏิลมที่เราท่องกันตอนเช้าใช่มธมาก็นั่งฟังโดยมีใครสวดกัน และสวดได้แปลกันหรือเปล่ากล่าวไว้ในพระวินัยยิดกเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเตนะสามเยนะพุทธโภพขวาปุรุเวราอย่างวิหรารตีนันชาเนรันชรายติเร พธิรุกขามูเรปธรรมาภิสัมพุทธโธอาทาโคภะควโพธอทีอท่รุกขามูเรจตตาหังเอกปันหลังเกนนิสีติวิมุติสุขปฏิสังเวทีในสมัยนั้นนั่นแหล พระผู้มีพระภาคเจ้าแรกตัสรู้อนุตระสัมมาสัมพุธิญาณแล้วพระองค์เสด็จประทับอยู่ที่ควงไม้โพธิพึกใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชารานั้นที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งประทับสวยมุติสุขโดยบัลลังก์เดียวตลอดเจ็ดวันที่ควงไม้โพธิพึกนั้น อันนี้บ่งบอกถึงว่าเมื่อตัสรุณุตรสัมมาสัมพธิยานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าสวยมิติสุขณบรลลังก์เดียวเจ็ดวันเราก็นึกว่าเคยไปสักการะไปบูชาที่ตัสรุณุตราสัมมาสัมพธิยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ไหมว่าแผ่นดินณที่ตรงนั้นเวลาโลกใบนี้จะอุบัติเกิดขึ้น ที่จะมาเป็นดินน้ำไฟลมเล็กๆครั้งแรกพื้นแผ่นดินจะปั้นดินตรงนั้นขึ้นมาก่อนนะเป็นที่รองรับที่ประทับแห่งการตรัสรู้สัมมาสัมพธิยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าลองนึกนะดินไม่มีใจยังรู้จักการที่จะนอบน้อมถวายอาสนะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอันนี้ดินไม่มีใจเลยเนะนั่น เ, เรียกกรรมมาปัจจยาวทุสโร รูปที่เกิดจากอุดูที่มีกรรมของบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นปัจจัยบารมีที่ท่านสั่งสมนั่นแหละเออดินไม่มีใจยังรู้จักการนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะเอใจของเราบางทีมันแข็งจริงๆนะขนาดพุทธโอวาทบอกแล้วแล้วเราเล่าบอกแล้วแล้วเราเล่าบางทีเราก็ไม่ยอมที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าไปเชื่อใครก็ไม่รู้ที่ผ่านมาในสังสารวัฏเนี่ยเราเชื่อคนผานเราเชื่อคนผิ ด, ผด เราเชื่อปุรณาคสปะมัคลีโคสาละอชิตาเกสกามพลปกุทธกจายนะสัญชัยเวรภูตนิครนหน้าตบที่เราแยกไม่ออกเลยอะระหว่างคําสอนของภาษาสดากับคําสอนของละที่ที่ผิดผิดที่มันปนมาอยู่ในกระแสใจของชาวพุทธเราก็เชื่อสิ่งที่ผิดผดิดินไม่มีใจยังรู้จักนอบน้อมพระเจ้าอย่างแท้จริงเนะและเรามีใจทําไมเราไม่น้อมที่จะฟังคําสอนของพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามพระผู้มีภาคเจ้าอย่าง ทองแท้เสีทีเนี่ยต่อมาพระองค์ก็พิจารณาปฏิจจทุบาทที่บอกว่าอาทาโคภคาวารติยาปัทมงยามังปฏิจจสมุปาทังอนุโลมะปติโลมังมนาสากาสีอาวิจจาปัจจยาสังคารา สังขารปัจจัยญาณิยานังวิญญาณปัจจัญาณารูปังนามรูปปัจจัยญาตรายตนะงสรายตนปัจจัยาผัทโซภสษาปัจจัยญาเวทนาเวทนาปัจจัยาสัญหา ตัณหาปัจจะยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาเบอเบาวปัจจยาชาติชาติปัจจะยาชรามรนังโสกปริเดวุโดูมานาสุปายาสัมเบาวันตีเอวเมตตา เกวารัตจดุขคันธาสสมมุทโยโหติอวิธชายตะเววาเสสวิราคานิโรธสังฆารณนิโรธสังฆารนิโรธาวิญญาณนิโรธ วิญญาณานิโรธานามารูปานิโรธนามารูปานิโรธาสราญ a ตานิโรธสราญาตานิโรธาพัสสนิโรธพัสสนิโรธาเวทานิโรธ เวทนา n i r ร t o t h, o. h a t a n h a Niruto tantha Nirutotha upada na Niruto upada na Nirutothamawaniroto pawanirotha cha thi Niruto cha t i Nirutocharamranam สโสกะป d ริเดวะดุกโทมานาสุปายาสะมิรุฉันตีเอวะเมตสะเกวรารสะดุกคันทาสนิโรโทโตีตีอาทาโคภาคาวะเอตามัตังวิทิตตวะ ตายังเวราหยังอิมังอุทานังอุทานิสียะธาหเวปาตุบาลติธรรมาอาตาปิโนชายโตบรัมนาตสาอาทาสกังฆาวะปยันติสัพพา ยโตปชานาติสาเหตุดามันติพระผู้มีพระภาคเจ้าพิจารณาปฏิจจานุบาตทั้งอนุโลมและปฏิโลมนะพิจารณาว่าเพราะอวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจัยจึงเกิดอายตนะเพราะอายตนะเป็นปัจัยจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา เพราะตัญหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจังเกิดพบเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยยึงเกิดชรามรณาโศกาปริเดวะทุกขโทมนาสอุปายาตการเกิดขึ้นแห่งมหันตตทุกข์ทั้งหลายของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยดูก่อนพิกูุทั้งหลายนี้คือความเกิดขึ้นแห่งโลกนี้คือความเกิดขึ้นของมหันต์ทุกข์นะพิจารณาดูประชาสัตว์ทั้งหลาย สภาพของขันทัดอยายตนาของสัตว์ทั้งหลายที่หมุนไปในสังสารวัฏนั้นคือองค์ของปฏิจจานุบาทที่หมุนไปตามอนุโลมเนะื้อสัตว์โลกทั้งหลายหาวั ต, ตะหาทางพ้นทุกข์ไม่ได้วิ่งวนไปตามวั ต, ตวิวิ่งวนไปตามชาติคือความเกิดชราคือความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้เมรณะคือความตายหมุนไปตามความโศก ค, ความล่ํายลําพันธุ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค็งใจหมุนไปในมหันตทุก เจอทุกข์แล้วทุกเล่าแต่สัตว์นั้นก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ด้วยตนเองเพราะสัตว์นั้นไม่มีโพธิ์ที่อย่างใดอย่างหนึ่งเลยอ่ะไม่มีสาวกัโพธิไม่มีปัจเจกะโพธิโดยเฉพาะไม่มีสัมมาสัมโพธิสัตว์โลกนั้นจึงไม่สามารถที่จะเปิดเผยปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพราะพระครู่มียพระเจ้ากัปปิจารณาบรรดาประชาสัตว์ทั้งหลายที่หมุนไปในสังสารวัฏนี้เนื้อ และพิจารณาถึงกระแสชีวิตตนเองที่ผ่านมาอย่างยาวไกลในสังสารวัตรขึ้นเนอะแล้วก็พิจารณาถึงการบ่มบารมีมาตามลําดับเพื่อจะออกจากชาติชลาพยาธิเนี่ยมรณโะโสกปริเทวะเป็นต้นและที่สุดจริงๆพระ อ, องค์ก็ออกได้จริงๆแต่บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่น่ากรุณานะที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรหนึ่งในนั้นคือพวกเรานี่แหละที่ยังหาทางออกไม่ได้เนี่ยพระพุพาเจ้าก็พิจารณาถึงกลุ่มบุคคลนะ ที่ได้ปริญญานิพานไปแล้วเนี่ยก็คือเพราะอาวิชชาดับด้วยการสํารอกโดยไม่มีเหลือด้วยการประชุมอริยมรคคืออาราธมรคได้ถามว่าถ้าตราบใดประชุมอาหาธมรคไม่ได้จกสํารอดละอวิชชาได้ไหมจะถอนราดถอนโคนอวิชชาได้ไหมอาริยมรคเนี่ยจะเกิดขึ้นเองโดยการนั่งอธิษฐานอย่างเดียวโดยไม่บําเพียนทานศีลปรม า, าจะเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เลยอริยมรคเนี่ยเป็นกลุ่มสังขารขัน สังเกตดูนะสัมมาทิฏฐิเนี่ยตัวสังขารละขันเป็นธรรมะที่ต้องปรุงแต่งสัมมาสังกปะตัววิตกเนี่ยก็ต้องเป็นสภาพที่ปรุงแต่งสัมมาวาจาสัมมากรรมตัสัมมาคิวะกลุ่มศีเนี่ยก็กลุ่มสังขารละขันสัมมาวิมะความเพียรก็สังขารละขันสัมมาสติก็สังขารละขันสัมมาสมาธิเอกกตาก็สังขารละขันถามว่าอริยมรรคเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยเยอะต้องอาศัยอาหารเยอะไหมจึงจะสามารถ ไปชมอารียามรักได้ต้องอาศัยเยอะเหตุปัจจัยที่จะต้องทําให้อารียามรักเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีการบ่มถ้าเป็นฆราวาสก็คือทานศีลภาวนาต้องแข็งแรงต้องไปด้วยกันไหมทานศีลว่าภาวนาต้องไปด้วยกันไหมต้องไปด้วยกันเจตนาทานเจตนาศีลเจตนาที่จะเป็นไปกับภาวนาใช่กุศ ล, ลจิตอย่างเดียวกันไหมก็คือกุศลนั่นแหละ เป้าหมายทั้งหมดที่จะระดมความเพียรตั้งมั่นเนี่ยในการจะทำทานะเจตนาโยธาคือกองทัพทานในนั้นก็จะต้องเอากลุ่มของความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาจะต้องเอากลุ่มของฉันทาวิริยะจิตตปัญญาต้องเอากลุ่มของตัตธรรมปรช ต, ตากายปสัสสติจิตปสัสสติทั้งหลายเหล่านี้กลุ่มของคุณสธรรมอย่างมากมายที่จะระดมทุกตัวให้มีกาลังในการที่จะ่ายถอนอะไร ไข่ถอนกิเลสไข่ละมัชริยะได้อย่างเด็ดขาดพระโสดาบันละได้อย่างละได้แล้วมัชริยะเนี่ยเป็นกลุ่มลูกน้องของโทสะความต น, นีทั้งภายในและภายนอกพระโสดาบันละได้หรือยังละได้แล้วเพราะเมื่อกี้พระบอกว่าละได้แล้วกว็ละตามไปก่อ น, นเนี่ยน <c oughs> ะเจ้ามาเล่าละได้แล้วทําไมพระโสดาบันจึงละมัชริยะได้เพราะโสดาปฏิมากรทั้งเกตุไหมจะยิ่งด้วยทานกุศล คนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยเราในปรารถนาทีแรกปุ๊บเนี่ยเป็นพระรหารเลยได้ไหมฉะนั้นพวกนี้กลุ่มสลากทั้งนั้นแหละกลุ่มสลาวัตถุภายนอกเป้าหมายสลาวัตถุภายในแล้วก็สละกิเลบให้สังเกตดูนะว่าขันที่จะต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรนี่เรานับได้ไหมจะเกิดอีกกี่ชาติได้ไม่ได้ถ้าเป็นพระโสดาบันเกิดอย่างมากไม่เกินไม่เกินเจ็ดชาติขันที่เหลือทั้งหมดพระโสดาบันสลออ า, ากหรือยังบริจาคหรือยัง เบยจากทิ้งแล้วคันกิเลสด้วยตอนเนี้คนที่คิดว่ากิเลสค่อนข้างที่เรากิเลสเบาบางลงอ่งใครที่สําคัญว่ากิเลสตัวเองเบาบางลงยกมือขึ้น <Yeah. S 1> <laughs> ยอมเคยมีความรู้สึกไหมว่าเราเราหวงตาคู่นี้ของเราเหลือเกินแต่ก่อนเราไม่เคยกังวลเราถ้าวันใดวันหนึ่งรู้สึกตามันหมอก็บอกตาคุณถ้าจะอยู่ได้ไม่ถึงห้าปีโอ้คุณเครียดแล้วนี่แปลว่าอะไรเพราะตันนีไง เพราะรักไงเพราะห่วงไงเราไม่เคยรู้หรอกว่าตาย